นี้มาขึ้นวงของพระธรรมทัศสีพุทธเจ้าที่15พระพุทธเจ้าพระองค์ที่15ที่พยากรพระโพธิสัตว์ของเราผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ากล่าวว่าในมันดกับนั้นนั่นเองคําว่ามันดกับหมายถึงวรกับกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสมองค์พระธรรมทัศสีพุทธเจ้าพระองค์ผู้นำโลก ผู้มีพระยศยิ่งใหญ่ทรงกําจัดอนทการคือความมืดได้แล้วก็เจิดจ้าในโลกพร้อมทั้งเทวโลกนะพระองค์ผู้มีพระยศยิ่งใหญ่ก็คือมีบริวารมากะนะคือเนื่องจากว่าตลอดระยะเวลาทั้ง4อสงไขย8อสงไขยสิอสงไขยของพร ะ, mm. พ, ระพุทธเจ้าแต่ละองค์นั้นในขณะที่ก่อร่างสร้างกุศลในอดีตที่ยาวนานมีเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่ร่วม สามภาระร่วมบุญร่วมกุศลกันจำนวนมากก็เป็นผู้ที่อย่างชาติที่เป็นพระราชามหากระสับเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะบริวารที่ร่วมเจริญกุศลของพระองค์เนี่ยมากอันพระองค์จึงมีพระยศใหญ่ยิ่งครั้งพระธรรมทัสนีพุทธเจ้าผู้มีเดชไม่มีใครเทียบพระองค์ได้นะในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่มีผู้ใดจะมีเดชคือศีลเดชแปลว่า เดชคือตบะหรือว่าความร้อนเนี่ยนะเรียกอำนาจเป็นต้นเนี่ยไม่มีใครเทียบกับพระองค์ได้ขนาดว่าพระองค์เนี่ยเดชมากขนาดถึงเอาไหว้ผู้ใดไม่ได้เลยถ้าไหว้แล้วเขาศีรษะแตกเป็นเจ็ดเสียงโดยธรรมดานะยังชาติสุดท้ายเนี่ยไหว้ผู้ใดไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าพระองค์นอบน้อมผู้ใดผู้นั้นจะสมมติว่าพระองค์ไหว้น้ําน้ําก็แห้งถ้าไหว้โลกโลกก็สลายถ้าไหว้อากาศฝนก็ไม่ตกเหมือนกัน ท่า น, นพระองค์นี้เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นหลังจากตรัสรู้ก็ประกาศพระธรรมจักรอภิสมัยการตรัสรู้อริยสัจก็ได้มีแก่สัจํานวนแสนโกฏครั้งพระธรรมะทะัศนพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัญชัยหรือสีอภิสมัยการตรัสรู้รมครั้งที่สองก็ได้มีแก่สัตริย์90โกูฏ ครั้งเท้าสักกะพร้อมทั้งบริษัทเข้าเฝ้าพระผู้นำพิเศษอภิสมัยการตรัสรูธ้ธรรมครั้งที่สามก็ได้มีแก่สัตว์แปสิบโกรธพระธรรมทัศสีพุทธเจ้าผู้เป็นเทพแห่งเทพพระองค์นั้นทรงมีสันนิบาตประชุมพระสาวกขีนาศพผู้ไร้มนทินมีจิตสงบคงที่ประชุมสาวกสามครั้งครั้งพระ ธรรมทัศนสีพุทธเจ้าเข้าจำพรรษาณกรุงสรณะนาเมืองสารณะนาังนั้นพระสาวกพันโกรธประชุมกันนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่หนึ่งต่อมาอีกพระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวโลกมาสู่มนุสโลกพระสาวกร้อยโกรธประชุมกันสันนิบาตเป็นครั้งที่สองต่อมาพระพุทธเจ้าทรงประกาศทุูดงค์ขคุณพระสาวก80โกรธประชุมกันเป็นสันนิบาตครั้งที่สาม สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เป็นเท้าสักกปรินท ะ, ทะคือผู้ที่เคยให้ทานเอาไว้ในการก่อนทําบุญไว้มากถึงความเป็นผู้กแกล้ า, ลาเป็นหัวหน้าในกองการกุศลเป็นหัวหน้าในกองการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นก็เกิดเป็นเท้าส ก, กะเท้าส ก, กะก็ได้มาบูชาพระพุทธเจ้าด้วยของหอมดอกไม้และดนตรีอันเป็นที่ พระพุทธเจ้าธรรมทัศสีพระองค์นั้นประทับนั่งท่ามกลางเทวดาพยากรพระโพธิสัตว์ของเราว่าท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าพยากรพระอินเหมือนกันน่ยพยากรณ์ดาวสกตะคือพระอินทว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตถัดจากนี้ไปหนึ่งพันแกับพระตถาคตพระองค์นั้นจักอภิเนศกรมออกบวชจากกรุงกบิลพัทตั้งความเพียรรมทุกกะริยา พระพุทธเจ้าทุกพระองค์บอกเหมือนกันหมดว่าถ้าโพธิสัตว์เราจะต้องไปทุกข์ไปยากนะนะต้องไปลําบากก่อนจะตรัสรู้พยากรณ์มาแบบนี้ทุกองค์เลยนะยางอะไรนะนึกถึงพระมหาโมคคลานะเนี่ยพระพุทธเจ้าได้พยากรณ์ท่านไว้เมื่อหนึ่งอสงไขยแสนกับท่านมาจากนรกแล้วจะมาเป็นพระมหาโมคคลานะนะจุติจากนรกมาปฏิสนธิเป็นพระมหาโมคคลานะเพราะอะไรเพราะอาดีตท่านเป็นมารเป็นหัวหน้ามาร แผลงฤทธิ์แผลงเดชไม่ใช่น้อยทะเลาะกับพระพุทธเจ้าประจำวันมันอดีตนะ น, นะแต่ว่าใครจะเชื่อว่าพญามาร น, นั่นแหละจะมาเป็ น, ปนอัครเป็นอัครสาวกข้างซ้ายหรือว่าอย่างพญามารของเราเนี่ยองค์นี้ใครจะรู้อนาคตท่านจะเป็นพระพุทธเจ้ายัางไง แต่ว่าพันนิสัยมันก็เปลี่ยนแปลงกันไปถ้าหากว่ายังไม่รู้อริยธรรมยังไม่แทงตลอดอย่าไปคิดว่าจะต้องเป็นพระเอกตลอดไปนะบางทีก็สวมบทบาทงี่เง่าอย่างที่เรามานั่งฟังธรรมทำเป็นใจดีเนี่ยอย่าคิดว่าเอะอะวอย ไ, ไ, ไ, ไม่เป็นนะใช่ไหมอย่าไปคิดหน้าว่าใจดีทําเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดไปไม่ใช่หรอกนะเฉพาะในเวทีหรอกในสภาฟังธรรมอะไรนะ ันก็ยังงี้แหละัเราก็ต้องทำใจว่าเออธรรมดาเดี๋ยวว่าสวมบ ท, บทนั่นบทนี่บ้างอะไรบ้างนะแล้วแต่ว่าอะไรมันสิงในใจ่นั้นนะ่ะฝ <c oughs> ่ายพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะหลังจากที่พระองค์ทำทุกขะรกิริยาพระตถาคตก็ประทับนั่งที่โคนต้นอาชาปาละนิโครณทรงรับข้าวมาทุก ป, ปายาสนะที่นั้นแล้วก็เสด็จเข้าไปยังแม่น้ำเนรัญชรา พระชินเจ้าพระองค์นั้นสวยเข้ามาทุ ป, ปาหญาที่ริมฝั่งแม่น้ำในรัญชราเสด็จดำเนินไปตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งเอาไว้ไปที่โคนโรพเพลกจากนั้นพระผู้มียศใหญ่ทรงกระทาประทักษิณโพที่มันทสถฐานอันโยอ์เยี่ยมตรัสรูณโคนโรพพฤกชื่อวต้นอัศธา ท่านผู้นี้คือพระอินท่านนี้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตมีพระพุทธมารดานามว่าพระนางมายาพระชนกพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุโธธนะท่านผู้นี้จะเป็นพระโคตมะโดยพระโคดอัครสาวกชื่อว่าพระโกริตาและอุปติสสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคามีจิตสงบตั้งมั่นผู้ทาอุปถาชื่อว่าพระอนันทจากบำรงพระชินเจ้าพระองค์นี้ อัคาราสาวิกาชื่อว่าพระเขมาและพระอุบล ว, วันนาผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่นพอพฤกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอัศธะอัคาราอุปทาชื่อว่าจิตตะและหัตถาอลาวกะอัคาราอุปทายิกาชื่อว่านันทมาตาและอุตตราพระโคดมผู้มียศพระองค์นั้นมีพระชนมายุร้อยปี เท hey, วดาและมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ณท้ามกลางสถานที่ประชุมเหล่านั้นเนี่ยนะได้ฟังพระดํารัสพุทธพยากรณ์ของพระธรรมทัศสีพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้ใดเสมอผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่พระองค์นั้นแล้วเท hey, วดาและมนุษย์เหล่านั้นก็ปราบปลื้มใจกันว่าท่านผู้นี้เป็นหน่อพุทธทางกูลเป็นหน่อของผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ต้องรดน้ําใส่ปุ๋ยพลูนดินสร้างบารมีต่ออีก หนึ่งกับเพราะฉะนั้นเทวดาในหมื่นโลกธาตุพร้อมทั้งเทวโล ก, ก็พากันโหร้องปรบมือโหว ร, ร่อร่าเริงประคองอัญชลีนมัส ก, การกล่าวว่าถ้าว่าพวกเราพลาดจากศาสนาไม่ได้ทากิจไม่แทงตลอดอริยสัจไม่ได้บรรลุมรรคผลในพระพุทธศาสนาพระณนะของพระพุทธเจ้าพระนามว่าธรรมทศีในอนาคตการพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้ เปรียบเหมือนว่าถ้าเราจะข้ามน้ําพลาดจากเรือลํานี้หมายความว่าเรือคือธรรมนาวาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเราสัตว์ข้ามโอเะสงสารก็จะถือเอาท่าน้ําข้างหลังนัก็คือคอยข้ามไปกับพร้อมกับพระพุทธเจ้าองค์หลังเท้าว่าในการท่านข้ามท่าน้ําใหญ่ฉันใดพวกเราทั้งหมดนะถ้าผ่านพ้นพระชินะาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ในอนาคตเราก็จะอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้ฉะนั้นเหมือนกัน พระโพธิสัตว์ผู้เป็นพระอินทร์ได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าพระนามธรรมะทัศสีพระองค์นั้นแล้วก็ยิ่งเลื่อมใสอธิษฐานข้อวัดให้ยิ่งยวดขึ้นไปเพื่อบำเพ็ญบารมีสิบให้บริบูรณ์ น, นะสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าส่วนรายละเอียดสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าธรรมทัศสีมีว่าพระธรรมทัศสีสาศาสดาผู้ผาสรรพสัตว์ข้ามพ้นจาก อบายทุคติวินิบาดนรกพาข้ามจากสังสารวัตรพาข้ามจากชาติชรา ม, มรณะพระองค์นั้นมีนครเป็นที่เกิดชื่อว่าสารณะพระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสารณะพระชนนีพระนามว่าพระนางสุนันทาพระองค์ครองคารวัตวิสัยอยู่แปดพันปีมีปราสาทที่ยอดเยี่ยมสามหลังคืออัชระวิรัจ อ, อาราชาวิราชาและสุทสัศนะ สนมนารีที่คอยปรนนิบัตินางฟ้อนเป็นต้นเยนะแต่งกายงามสี่หมื่นนางอัครมเหสีพระนามว่านางวิจิโกรีโอรสของพระองค์ชื่อว่าพระปุณณวัฒนะนีนะนะพระผู้เป็นยอดบุรุษเห็นนิมิตสีเสด็จออกอภิเนศกรมด้วยปราศาสบำเพนเพียนทาหยุดเจ็บวันนะ รวบรวมโพธิยานเจวันเป็นพระพุทธเจ้าเลยสังส่งแสดงว่าสั่งสมบุญมามอบพระมหาวีระธรรมทัีนราสภะผู้เลิศ ก, กว่านรชนอันเท้ามหาพรมาราธนาแล้วทรงประกาศ ธ, ธรรมจากนามิขทายวันพระอ克拉สาวกชื่อว่าพระปฐุมะและพระปุสะเทวะพระพุทธอุปถาชื่อว่าพระสุทตัตตะ พระอัคสาวิกาชื่อว่าพระเคมาและพระสัจจนามาโผล่พฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นพิมพ์พิชาละต้นมะกล่มเครืออัคราอุปถาชื่อว่าสุภัทะและกติสหะอัคราอุปถายิกาชื่อว่าสาลิสาและกลิสาเนีนะหรือกลิสาชื่อแปลกๆอย่างเง้ยนะ พระพุทธเจ้าผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมอสูง80ดสิบศอกรุ่งโรจน์ด้วยพระเดชในหมื่นโลกธาตุพระองค์งดงามเหมือนต้นสารพฤกษ์ที่ออกดอกบานสะพรั่งเหมือนสายฟ้าในนภาอากาศเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันน ะ, ะแสดงว่า น, นี้บ่ายไปแล้วนะตอนตอนเที่ยงเราออกไปดูดวงอาทิตย์เป็นยังไงนะแต่ต้องสวงมอะไรให้ดีๆหน่อยนะแล้วตาบอด พระผู้มีพระจักสูตรดำรงอยู่ในโลกแสนปีพระชนมายุของพระองค์ผู้มีเดชไม่มีใครเทียบได้พระองค์นั้นก็เท่าเท่ากับสัตว์อื่นพระองค์พร้อมทั้งพระสาวกทรงแสดงพระรัศมีทําพระศาสนาให้ไร้ม่นทินดับขันธปรินิพานเหมือนดวงจันทร์เคลื่อนจากท้องฟ้านะเคยเห็นดวงจันทร์ยามดวงจันทร์รับฟ้าหรือดวงอาทิตย์อัสดงคดฉันใดพระ้าหันทั้งหลายก็ปรินิพานฉันนั้น พระมหาวีระธรรมทัศสีปรินิพานนัพระวิหารเกสารามสทูปของพระองค์สูงสามยอดอัฏฐกถามทุรฐาวิลาศีกล่าวถึงข้อความเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าธรรมทัศสีรายละเอียดว่าเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัฏฐทัศสี ผู้เป็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัสามพุทธเจ้าปรินิพานแล้วอันตรกับก็ล่วงไปแล้วเมื่อสัตว์ทั้งหลายที่มีอายุไขนับไม่ได้ลดลงไปโดยลำดับจนมีอายุได้ประมาณแสนปีพระศาสดาพระนามว่าธรรมทัศสีผู้ทำแสงสว่างแก่ลูกผู้ให้ความสว่างทางสติปัญญาได้เกิดขึ้นพระองค์ทำการกาจัดมนทินความเศร้ามองมีความโลภเป็นต้น พรองเป็นนายกผู้นําเอกของโลกอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็บําเพ็ญพระบารมีทั้งหลายบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากดุสิตก็ถือปฏิสนธิในพระคารของพระนางสุนันทาเทวีอัครมเหสีของพระเจ้าสารณะผู้เป็นที่พึ่งของโลกทั้งปวงณนะกรุงสารณะแสดงว่าพระเจ้าสารณะเนี่ยเป็นที่พึ่งของสัตว์ได้จํานวนมากเลยนะ เป็นเหมือนกับบิดาของสัตว์เป็นเหมือนกับพระเจ้าของสัตว์เลยแหละเป็นผู้ที่เคารพนับถือมากโปร่งอยู่ในพระคันกําหนดท้วน10เดือนก็ประสูตรจากพระคันของพระชนนีณสรณราชุทยานเหมือนพระจนันทร์เพนโคจรลอดช่องเมฆในฤดูฝนจะบอกว่าเคยเห็นในในยามหน้าฝนเนี่ยนะบางคืนทั้งคืนเป็นพระจันร์ข้างขึ้นถ้าหากว่าฝนตก เมฆบังก็ไม่เห็นดวงจันทร์ยามเมื่อเมฆหมอกปราดไปดวงจันทร์ก็ชัดเจนแจ่มใสเนี่ยนะเมื่อเมฆคละเคลื่อนไปคล้อยไปดวงจันทร์ก็สดใสฉันใดพระองค์ก็ฉะ น, นั้นยามเมื่อประสูติมาแล้วก็รุ่งโรจน์เมื่อพระมหาบุรุษพอประสูติจากพระคันพระชนนีเท่านั้นโวหารการว่ากล่าวที่ไม่ชอบธรรมและศาสตร์และคัมภีที่กล่าวด้วยเรื่องอธิกร หรือเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งหลายก็เสื่อมหายไปเองแลไม่มีการพูดถึงสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปเรื่องเราวเล่ทเลทอะไรทั้งหลายไม่มีเลยมีแต่การดำรงอยู่ในการกล่าววาจาที่ชอบพูดสัมมาวาจากันทั้งนั้นนะนี้เป็นบุญของพระองค์พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ประเภทกลุ่มวิริยาที่กะสร้างบารมีม า, มามากเลยนะพันธุว่าทุกคนในยุคนั้นก็มีการกล่าวทำพวกเดรธีมิจชาริธหายากขนาดเรื่องราวไม่เป็นเรื่องอยังไม่มีเลย ด้วยเหตุนั้นในวันเฉลิมพระนามของพระองค์พระชนกชนนีพุทธบิดาพุทธมารดาเฉลิมพระนามว่าธรรมทัศสีผู้เห็นธรรมแล้วก็มีการมีแต่การกล่าวที่ชอบธรรมพระองค์ครองคารวะวิสัยอยู่ 8,000 ันปีมีปร า, าสาทสหลังอรารชะวิราชาและสุทัศนะมีพระสนมนารีสองแสนหมื่นนางมีพระนางวิจิโกลิเทวีเป็นประมุก พระโอรสของพระองค์ปุณณนะวัฒนาของพระนางวิจิโกลิเทวีสมภพคือประสูติออกมาพระมหาบุรุษก็เห็นนิมิตสี่ทรงเป็นสุขุมารชาติอย่างยิ่งเหมือนเทพกุมารเสวยสมบัติเหมือนเทพสมบัติพระองค์นั้นได้ลุกขึ้นในยามกลางคือหมาย ว, ามว่าค้าคล้ากับพระโพ ธ, ธิสัตว์นะพอได้เห็นหน้ า, เ, าเห็นหน้าลูกแล้วก็จะต้องออกบวชแต่ว่าออกบวชในตอนกลางคืนพ้นในยามกลางมชีมยาม ประทับบนที่เสดสายาดเห็นอาการอันวิวการหมายคำว่าวิปริตแปรเปลี่ยนของเหล่าสนมที่หลับไหลก็เกิดสังเวทมีความคิดที่จะออกมหาพิเนศกรมในลำดับจิตที่เกิดว่าออกบวชเท่านั้นแหละสุทัศนปราศาสตร์ของพระองค์ก็ลอยขึ้นสู่นาภาอากาศอันจัตุรงคเสนาเวดล้อมแล้วลอยไปเหมือนดวงอาทิตย์หรือเหมือนเทพวิมานแล้วก็ลงตั้งอยู่ใกล้โพรพฤกษ เ ช, ชื่อว่ารัตนกุระวะกะต้นมะกล่ำทองเนี่ยนะรายงนว่าพระมหาบุรุษทรงรับผ้ากาสายะที่เท้ามหาพรหมน้อมถวายพระองค์ก็ผนวดบวดด้วยเสด็จลงจากปราสาทประทับยืนอยู่ในที่ไม่ไกลปราสาทก็ไปทางอากาศอีกทำโพพฤกไว้ข้างหน้าแล้วก็ตั้งลงที่แผ่นดิน แม่นางสนมนารีพร้อมทั้งบริวารก็ลงจากปราศาสตร์เดินไปชั่วครึงคร่งข่าวุธก็หยุดณที่นั้นเว้นสนมนารีปริจาริกาและยญิงรับใช้นางสนมเหล่าอื่นมนุษย์ทุกคนก็บวชตามเสด็จภิกษุทั้งหลายจึงมีจำนวนแสนโกดบอกว่าพวกผู้หญิงกลับวังหมดเลยผู้ชายบวชหมดเลยนะผู้หญิงน้อยใจเลยไม่ได้บวชนะรักษาศีลให้ ด, ดีตั้งความปราถนาเอากันแล้วกัน ครั้งนั้นพระธรรมทัศ ส, สีโพธิสัตว์บำเพ็ญความเพียรเนี่ยนะรวบรวมพุทธกรกะธรรมนะรวบรวมบา ร, รมีบุญกุศลคุณงามความดีที่จะให้เป็นพระพุทธเจ้าภายในเจ็ดวันวันที่เจ็ดก็เสวยข้าวมาทุ ป, ปาญาติที่พระนางวิจิโกลิเทวีถวายก็มเหสีของพระองค์ก็ไม่ได้ไปไกลสักเท่าไหร่นะก็เตรียมหาอาหารมาถวายพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็พักกลางวันเนี่ยนะหลังจากเสวยเสร็จ ก็พักกลางวันตอนเย็นก็รับย่าแปดกรรมที่คนเฝ้าไร่ข้าวเหนียวชื่อว่าสริวัฒนะถวายก็เสด็จไปยังโพพรึกชื่อว่าพิมพ์พิชาละต้นมะกล่ำเครือหรือมะกล่ำทองเนี่ยนะพระองค์ก็ลาดสันทัตย่ากว้างห้าสบสามศอกแทงตลอดพระสัพพัญยุตยานนะโพพรึกนั้น แปล่งพระอุทานว่าอเนกชาติสังสารังเนี่ยนะสำหรับผู้ที่มีบุญสังสมบุญไว้มากบารมีแก่กล้าไม่ได้ทําอะไรต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรเนี่นตรัสรู้ได้อย่างรวดเร็วผลประทับอยู่ใกล้บริเวณโรพพฤกษ์เจสัปดาห์ก็รับอาราธนาจากข่าวมหาพรหมทราบ ว, ว่าภิกษุแสนโก ท, ที่บวชพร้อมกับพระองค์เป็นผู้สามารถแทงตลอดพระสัธรรมได้ก็เสด็จหนทางสิบแปดโยตในวันเดียวเท่านั้นก็ถึง อิสิปัตนะเนี่ยนะอันพิสุเหล่านั้นแวดล้อมพระองค์ก็ประกาศถ้ ร, รมจากนณะอิสิปัตนะ น, นั้นอันนี้เป็นอภิสมัยครั้งที่หนึ่งมีภิกษุแสนโกดนะเพราะว่าผู้ที่ออกบวชตามเนี่ยมากมายก็อย่าลืมว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่สั่งสมบุญบารมีเนี่ยนะสะสมรวบรวมบริวารมานอนยาวนะสั้งสิอสงไขเนี่ยมีผู้ที่ ติดตามเนี่ยนะเชื่อมั่นในพระองค์ให้พระองค์เป็นผู้นำเนี่ยนะประพฤติปฏิบัติตามพระองค์เนี่ยมากมายเพราะฉะนั้นจึงมีผู้บรรลุหาประมาณไม่ได้ใ น, นพระองค์จึงเล่าให้พระสารีบุตรฟังในคำพีรพุทธวงว่าในมันกรปับหรือว่าในวรกระปับกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสมองค์เนี่ยนะพระธรรมทัศสีพุทธเจ้าผู้มีพระยศยิ่งใหญ่กําจัดความมืดมนอนทการแล้ว พระองค์ก็แสงสว่างเจิดจ้ารุ่งโรจน์ในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกในการที่พระธรรมทัศสีพุทธเจ้าผู้มีพระเดชไม่มีที่เปรียบได้พระองค์นั้นประกาศพระธรรมจักอันนี้อภิสมัยครั้งที่หนึ่งได้มีแก่สัตว์หรือมีแก่ภิกษุจํานวนแสนโกดครั้งนั้นพระราชาพระนามว่าพระเจ้าสัญชัยในนครชิวะตะคาระเห็นโทษในกาม เห็นคุณอันเกษมหรือว่าคุณที่ปลอดภัยที่เกิดจากการเจริเนฆามะเจริญกุศลพระเจ้าสรรชัยก็ผนวดเป็นฤาษีคน9ก้าหมืโกดก็บวชตามเสด็จคล้ายๆกับปุโรหิตเนี่ยนะปุโรหิตของพระเจ้าประเสนที่โกศลนะในปรายณวัคเนี่ยนะปรายณสูตรเนี่ยก็ผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าประเสนที่โกศลออกบวชเนี่ยนะ เรียกว่าพรามพาวรีเนี่ยมีบริวารบวชตามตั้ง1มื0น 16,000 คนเนี่ยนะมันก็คล้ายๆเดียวกันนะอันนี้พระราชาพระองค์นี้ออกบวชผู้ที่เป็นบริวารก็ออกบวชตามอย่างในชาดกเนี่ยนะชาดกเช่นว่าหัตถิปาละชาดกอายอยขระชาดกเป็นต้น ตอนที่พระโพธิสัตว์ออกบวชนี่บริวารออกบวชตามมากมายหรือโควินทชาดกเนี่ยนะศาสดาเหล่านี้ตั้งเป็นศาสนาได้เลยนะผู้ออกบวชบรรลุตามเยอะแยะเลยโด ย, โดยเฉพาะบรรลุฌานอภิญญาเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันพระเจ้าสันชายออกบวชก็มีบริวารออกบวชตาม 90,000 โกธชนเหล่านั้นก็ได้อภิญญาห้าสมาบัตแ8ดทุกคนครั้งนั้นพระธรรมทัศี ศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยสมบัติของชนเหล่านั้นว่าเขาเหล่านั้นมีอุปนิสัยสั่งสมบุญพอที่จะเห็นอริยสัจแต่สรู้ตามพระองค์ได้ก็เสด็จไปทางอากาศถึงอาสมบทของสันชัยดาบทพระองค์ก็ยืนอยู่บนยืนอยู่ในอากาศแสดงธรรมอันเหมาะแก่อัธยาศัยของเหล่าดาบทยังธรรมจักโสคือโสดาปฏิมัคสกะทาคามิมักอนาคามิมักให้เกิดขึ้นเห็นอริยสัจอันนี้เป็นครั้งที่สอง ดังที่พระองค์สตรัดว่าพระธรรมทัศสีพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัญชยัยฤสีอภิสมัยครั้งที่สองก็ได้มีแก่สัตว์90โกดครั้งเท้าสักกะจอมถวยเทพประสงค์จะฟังธรรมของพระทศพลจึงเข้าไปเฝ้าอันนี้เป็นอภิสมัยครั้งที่สามมีผู้ตรัสรู้0โกดที่กล่าวกันว่าครั้งเท้าสกกะพร้อมทั้งบริษัทเข้าเฝ้าพระผู้เป็นนายกพิเศษ อันนี้เป็นการตรัสรู้ครั้งที่สแล้วก็จํานวนมากครั้งส่วนครั้งที่พระธรรมทัศสีพุทธเจ้าพระองค์ทรงบวชพระปทุมะกุมารและพระปุษสะเทวกุมารกนิตตพาดาต่างพระมารดาคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าให้ใครบวชให้พระนันทะออกบวชอย่างนั้นนะย่างพระพุทธเจ้าให้พระนันทะบวชอันนี้ก็เหมือนกันพระองค์ให้พระปทุมกูมารพระสุเทวะานี้น้องต่างแม่ทั้งนั้นเลย พร้อมกับบริวารที่กรุงสารณะพระองค์ก็ทําสุดที่ปรวปรณาปวรณาอย่างพระอาหารหันต์ท่ามกลางภิกษุแสนโกรธบวชภายในพรรษานั้นอันนี้เป็นสันนิบาตแสดงโอวาทปาติโมกเป็นครั้งที่หนึ่งต่อมาอีกครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกภิกษุร้อยโกรธประชุมกันอันนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่สองส่วน ครั้งที่สามนั้นพระองค์แสดงอ น, นิสงค์แห่งการรักษาทุดงข้อปฏิบัติเพื่อความขัดเกลาณนะพระสุทัศนารามสถาปนาพระมหาสาวกเชวหาริตะไว้ในตำแหน่งเอตัทธคะยกปาติโมขึ้นแสดงข้ามกลางพระพิสุสง์จำนวน80โกรธอันนี้เป็นสันนิบาตประชุมพระอรหันต์ครั้งที่สาม สรุปว่าพระธรรมทัศสีผู้เป็นเทพแห่งเทพแม้พระองค์นั้นทรงมีสันนิบาตการประชุมพระสาวกขีนาศพผู้ไร้มนทินมีจิตสงบคงที่สามครั้งครั้งพระธรรมทัศสีพุทธเจ้าเข้าจำบรรสาณกรุงสารณะภิกษุแสนโกรธประชุมกันอันนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่หนึ่งต่อมาอีกพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกสู่มนุสโลกเรียกว่าวันที่พระพุทธเจ้าเปิดโลกหรือวันโล ก, กปะปสาธนะเนี่ยนะ ก็มีสาวกร้อยโกรธประชุมกันอันนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่สองต่อมาอีกครั้งพระพุทธเจ้าทรงประกาศทูดงคคุณภิกษุสาวกแปดสบโกรธประชุมกันนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่สามทั้งนั้นพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะเป็นเท้าส ก, กัดเทวราชอันทวยเทพในเทวโลกทั้งสองเวดล้อมแล้วเสด็จมาบูชาพระตถาคต ด, ด้วยของทิพย์อน น, นมีของหอมดอกไม้เป็นต้น และทิพดนตรีแสดงว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะมาพร้อมกับบริวารบริวารตรัสรู้เยอะแยะเลยพระโพธิสัตว์ก็ยังไม่ได้ตรัสรู้อะไรเพราะว่าสร้างสมบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระศาสดาแม้พระองค์นั้นก็ทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์นั้นว่าในอนาคตพระโพธิสัตว์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโพตมะหลังที่พระองค์ตรัสเล่าว่า ครั้งนั้นเราเป็นเท้าสักกะปุรินททะได้บูชาด้วยของหอมดอกไม้ดนตรีอันเป็นทิปเนี่ยนะแต่ละอย่างก็ถับสิ่งที่เป็นทิปนะนะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ประทับนั่งท่ามกลางเทวดาพยากรเราว่าอีกผ่านไปในอนาคต 1,800 กับท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าฝ่ายพระโพธิสัตว์ได้รับฟังพุทธพยากรของพระองค์แล้วก็เลื่อมใสายอธิษฐานข้อวัดปฏิบัติ ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปบำเพ็ญบารมีสิบให้บริบูรณ์